วันนี้ที่เราให้ทุนการศึกษามาเป็นเป็นสุดท้ายของเทอมเสร็จแล้วเทอมต่อไปเรามีการจัดมารับกันยังไงแล้วเด็กคณะกรรมการครูอาจารย์พิจารณากัน วันนี้เป็นครั้งที่หก <c oughs> <c oughs> สิ่งที่เราช่วยนิดๆหน่อยห้ารอยบาทแต่คุณค่าทางด้านจิตใจมีมากเพราะเรามาทุกครั้งเราพยายามพูดแง่มุมของธรรมะให้ฟังธรรมะเท่านั้นที่จะช่วยเราได้เราไปคราวที่แล้วนี่เราไปฮังการี ไปเจอมหาวิทยาลัยธรรมกีตอันนี้หมอเขารู้จักมาก่อนเพราะเขาเปิดดูทาง น, นั้นซึ่งเขาเขาแน่มากเลยมหาวิทยาลัยธรรมกีตเขามีแนงเครือข่ายของเขาอยู่5 5. วิทยาลัยรวมกันเป็นมหาวิทยาลัยศึกษาวิชาอย่างเดียววิชาพระพุทธศาสนา เ ก, กมมก เ, เก่งกว่ามหามกุฏของเราเก่งกว่ามหาโฬาของเรานะม ห, ม, ามหามกุฎมหาโฬาของเรามหาวิยาลัยสง์ยังมีวิชาสามัญทั้งโลกไปเรียนด้วยอันนี้ของเขาเนี่เรียนเฉพาะหลักปรัชญาศาสนาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอย่างเดียวนะวันนั้นเราไปพูดธรรมะทั้งถามทั้งตอบทั้งอะไรอะไรรวมเป็นเกือบสองชั่วโมงที่เมือง บุตราบุตรดาบุตรดาเป็ดบุตรดาเป็ดบุตรดาคือพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธรูปเป็ดก็คือที่เรียบเมืองบุตรดาเป็ดนี่มันมีแม่แม่น้ําดานูปไหลไหลผ่านกลางเลยกว้างกว้างเท่าแม่น้ําโขงงเรานี่ยแหละสองเท่าเจ้าพญานะ่ยกว้างมากไหลน้ําไหลแรงไหลเชี่ยวแต่ว่าสองข้างสองข้างฝั่งของเขาเนี่เขาพัฒนาดีมาก มีตึกรามบ้านช่องอาคารสำคัญสาคัญทางประเทศของเขานี่นมาขึ้นอยู่ข้างๆเต็มไปหมดฟังฝั่งบุธบุษ d ดานะันมันฝั่งบุษ d ดานะั้นมันเป็นฝั่งภูเขาแต่มันไม่ใช่ภูเขาสูงลอนๆเหมือนจอมปลวกเรานะมันเป็นที่เรียบๆเบนินๆคนเขาก็สร้างบ้านอยู่ดูสวยงามดีมากในนั้นเราคิดว่าเขาอยู่บนยอดเขา แต่เวลานั่งรถไปจริงๆเข้ามันก็เหมือนพื้นบ้านเราธรรมดานี่เองมันมีถนนแทรกไปทุกทตรอ ก, ท, กทุกซอยเพราะหมู่บ้านคนอยู่เต็มไปหมดฝั่งนั้นเขาเรียกฝั่งบุตดาบุตดาและอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ําดานูบเนี่ยเขาเรียกฝั่งเป็ดฝั่งเป็ดฝังด่งนี้ฝั่งเรียบไม่มีภูเขาเรียบตึกราว บ, บ้านช่องแน่นเหมือนกันจึงได้ชื่อว่าบุตดาเป็ดเป็นเมืองท่องเที่ยวประเทศฮังการี เราไปเปิดวัดไปเปิดวัดไทยคือหมอเขาไปสร้างวัดที่ฮังการีเนี่ยที่เมืองนี้เมืองบุดาเปสตนี่แหละเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชของเราเสร็จแล้วก็ไปมอบวัดซึ่งเป็นวัดไทยวัดเดียวในประเทศฮังการีมีวัดไทยวัดเดียวนะในประเทศฮังการีเราแท้ไงใครเป็นวัดเราเป็นวัดแรกวัดเดียวเลยไปเกิดขึ้นน่ ชื่อว่าวัดไทยรัตนปทีบวัดไทยรัตนาปาทีบตอนนี้มีพระอยู่คือพระมหาสุภกิจพระมหาสุภกิจนี่เขาจบปัญญาโทแล้วน่าจะเป็นมหมามุรุษหรือมหาโุฬานี่แหละแล้วก็ปปเปลี่ยนสประโยคภรรษาก็สิบแปดซึ่งเป็นตัวตั้งตัวตีทีแรกก็ไปเช่าบ้านไปเช่าตึกไปเช่าห้องอยู่เล็กๆอยู่ข้างล่าง เป็นที่ทํางานของศาสนาอยู่มาได้ปีกว่าพอดีรวมรวมทั้งคณะทูตทัานทูตแล้วก็มีคณะคุณหมอเหล่านี้ไปร่วมซื้อที่ได้ที่ครึ่งไร่แล้วก็ในนั้นก็มีบ้านหลังหนึ่งอยู่ได้พอดีเป็นเป็นเอกเทศเป็นสตัตว์เป็นส่วนก็เลยเอาชื่อป้ายไปตั้งเป็นชื่อวัดแหละตัวนี้เปิดเป็นวัดแหละเป็นวัดไทยรัตนปทีบ เป็นวัดไทยวัดเดียวในประเทศทางคารีเสียจแล้วเขาพยายามจะเชื่อมโยงให้ให้เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยธรรมเกต ธ, ธรรมเกต ธ, ธรรมเกตแปลว่าประตูธรรมประตูธรรมเครือข่ายของเขามีอยู่สีห้าเครือข่ายเรียนจบประถมมัธยมเรียนจบมัธยมแล้วก็ส่งเรียนอุดมต่อไปเรียนที่นู่นที่นี่ส่งไปทำปริญญาที่นู่นที่นี่และสามารถให้ประกาศนียบัตร ระดับปัญญาตรีปัญญาโทปัญญาเอกได้แต่เรียนปรัชญาศาสนาพุทธอย่างเดียวเก่งมากเลยนะเราไปคุยเรื่องประวัติตำนานต้นตออะไรเขารู้จักดีหมดเดี๋ยวนี้ไอสัตว์ตราจาน้องเขาเนี่ยชื่ออะไรชื่อยาขอบยาขอบยาขอบนี่เขาเคยเป็นทูตของประเทศมาก่อนคงจะไปหลายประเทศยาขอบนี่เป็นเคยเป็นทูตมาก่อน ก็ต่อมาก็มาเป็นรัฐมนตรีพอออกจากรัฐมนตรีมาก็มาม า, มาสร้างมหาวิทยาลัยนี่แต่เขาพูดถึงตำนานต้นต่อที่จะมาเกิดวิทยาลัยตรงนั้นเนี่ยเขาพูดถึงตำนานต้นต่อของคนโบราณของฮังการีไปสอบไปเสา ะ, ะหาต้นตำนานของของศาสนาไปไปนู้นไปนี้เราก็จําได้ว่าไปไปก็ไปศึกษาที่อินเดียแต่เขาเอารับที่ศาสนา ปรัชญาทั้งจีนทั้งทิเบตทั้งพุทธนิยานทั้งพุทธมหายานมาผสมมาผสมกลมกลกลืนกันเรียนเรียนซึ่งปรัชญาเหล่านี้เขาเก่งมากเด็กเด็กที่ไปเรียนก็เรียนวิวชาเอก ว, วิชาเดียววิชาพระพุทธศาสนาแต่พวกเราเนี่ยถ้าไปเรียนแบบนี้เราไม่เอาแหละพระจบไปแล้วไม่รู้จะเอาไปใช้ทํางานอะไรได้บ้าง เรามาคำนึงถึงการไปทำงานแต่เขานี่เขาจะเอาไปใช้อะไรสมมุติเขาได้ปริญญาตรีหรือโทรหรือเอกไปเนี่ยเขาก็ไปทำงา น, ผานแผนแกปรัชญาตามหาวิทยาลัยต่างๆได้การเรียนการเรียนหลักปรัชญาพระพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญเพราะการเรียนพระพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้เรื่องของตัวเราเอง พุทธเจ้าท่านสอน840หมพระธรรมการนะท่านยกตัวอย่างที่นู่นที่นี่ที่ไหนก็ตามเพื่อชี้มาที่กายของเราที่ใจของเราเพราะสาเหตุต้นต่อของกายที่มาของกายพอเราได้กายมาแล้วเราก็ทุกข์ด้วยเหตุที่เราไม่พอใจในความทุกข์นี่แหละจึงมีการสสเสาะแสวงหาจึงมีพูดตั้งตนบาเพ็ญตนเป็นบา ร, รมีเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราบำเพ็ญบา ร, รมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเ พ, พืเ่อจะได้มาเปิดเผย ทำเหล่านี้เพื่อจะมาแจกมาแจงมาบอกมาสอนและมาตั้ ง, งเป็นพระศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆ ย, ยากมากศี่อสงไขยแสนมหากับพระพุทธเจ้าของเราถือว่าเร็วมากเป็นประเภทปัญญาธิกะตัสรุปได้ง่ายาสร้างพระบรารมีระยะสัน้นแล้วมีประเภทศรัทธาธิกะ8อสงไขยแสนมหากับมีประเภทวิทยาธิกะ16อสงไขยแสนมหากับ อันนี้คือหัวใจหรือจิตใจของผู้ตั้งอกตั้งใจที่จะศึกษาอบรมเพื่อเพื่อสอบเพื่อรู้วิธีการหรือช่องทางที่จะระงับดับความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นลัทธิการออกบาเพ็ญจึงมีทั่ ว, วไปทําไมพระเจ้าจึงไปอุปบัติที่อินเดียเพราะอินเดียยุคนั้นมันเป็นอินเดียยุคที่ ขึ้นชื่อลือนามเกี่ยวกับการสอบแสวงหาปรัชญาชีวิตความสุขความทุกข์ของชีวิตจิตใจของคนเขาของคนของเขาส่วนมากจะน้อมไปเกี่ยวกับเรื่องหาอุบายวิธีระงับดับความทุกข์คาว่าอารหันอรหันเนี่ยมันไม่ใช่มีหลังจากพรุทธเจ้าได้มรุษธรรมแล้วนะมีมาตั้งแต่ก่อนพระองค์เน่ยเราฟังดูที่พระองค์ไปทรมานอุรุเวลาสปะเนี่ยดยฤทธิ์ด้วยเดชด้วยอภิญยาสารพัดเน่ย รู้เวลากระสปาเนกระทึ้งอยู่ว่าโอ้เพราะสมณะโคดมเนี่มีฤทธิ์มากมีเดชมากมีอนุภาพมากแต่สู้เราไม่ได้เราเป็นพระอรหันต์คำว่าอรหันต์เขารู้มาก่อนแต่น่าจะเจอแต่อรหันต์ปลอมหรืว่านะที่พุทธเจ้าไปทรมานอุบายแล้วอุบายแล้วอุบายแล้วอุบายแล้วแต่เขาก็ยอมรับทุกครั้งนะดูใบกิจใจของเขาค่ค่อยอ่อนน้อมเข้ามาอ่อนน้อมเข้ามาอ่อนน้อมเข้ามาได้ยินว่าพระอง์ไปทรมานด้วยฤทธิ์ด้วยเดชเป็นพันพัอย่าง ตอนหลังก็มาสยบตอนที่เขาสยบเนี่ยคือเขายอมรับซิโรราหมดและร้อยเปซพอเขายอมรับปั๊บพระพุทธเจ้าก็ใส่ทันทีถ้าใจเขายังไม่ยอมรับจะไม่เทศเทศไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์อใจมันยังแข็งกระร่างอยู่มันไม่รับพอรู้ว่าข้างในปากเขาปฏิเสธอยู่แต่ใจเขาอ่อนพระพุทธเจ้าท่านดูข้างนอกก็ได้ดูข้างในก็ได้ดูในใจดูได้ไม่เหมือนพวกเราเราเห็นแต่แ ต, แ ต, ตาเนื้อ แต่ตาในของเราไม่มีไม่เห็นเหมือนพระองค์บางทีข้างนอกตาเนื้อดูไปเหมือนเขาปฏิเสธแข็งแต่ในใจของเขาเขาอ่อนเรื่องของจริงกับของปลอมของปลอมจะต้องมาสยบกับของจริงพระพุทธเจ้าท่านเข้าถึงสัจจสัจธรรมเป็นเรื่องจริงเป็นของจริงเพราะฉะนั้นพอไปเจอของปลอมของปลอมก็ยุบย่อหลบหน้าหายหนีไปเลยแต่ว่าเง้นเถอะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เป็นจอมปลอมในในจิตของ ของอุรุลกคสปะจึงก็ค่อยยุบยุบยุบยุบย่อในทสุก็หายไปพอรู้ว่าหายไปพระองค์ก็ใส่ปาปเลยกสปะเธอสําคัญแต่ว่าเจ้าของเป็นพระอรหันต์คิดในใจเฉยๆนะพุทธเจ้ารู้หมดอ่ะเธอสําคัญแต่ว่าเจ้าของเป็นพระอรหันต์แท้ที่จริงข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์เธอก็ยังไม่รู้จักเลยโอ้ทั้งอายทั้งนู้นทั้งนี้ทั้งยบอหัวเข่า รกราบปลอกปลอกปลอกนึ่งก็มลงกราบพระพุทธเจ้าขอบวชเห็นไหมได้ทั้งพี่ทั้งน้องแต่ทั้งบริษัทบริวารเป็นพั น, นแอบเดียวนี่คือพระพุทธเจ้าทําไมท่านจึงทําได้เพราะท่านสร้างบารมีมามากปรารถนาที่จะพาคนเหล่านี้พน้นทุกข์พ้นโทษแต่พระองค์ต้องเอาพระองค์พระองค์พน้นพราะพระองค์พน้นไปแล้วอุบายวิธีต่างๆรู้หมดรู้บายรู้วิธีหมดว่าจะมาทํายังไงจะไม่ย่อยยังไง เราจะเห็นว่าหลังจากพระ อ, องค์ตรัสรู้แล้วเนี่ยพระ อ, องค์ประทับอยู่ที่บริเวณโพธิมณฑลในที่เจ็ดแห่งแห่งละเจ็ดวันเนี่ยพระ อ, องค์ทรงพิจารณาสิ่งเหล่านี้แหละเช่นอย่างท่านทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทพิจารณาธรรมะแต่ละขั้นแต่ละตอ น, นอกว่าจนได้ตัดสินใจออกสอนเวนัยสัตจจแล้วก็ควรจะวางขั้นตอนอย่างนี้ ในที่สุก็คิดจะไปโปรดอุทกดาบด์า拉ระดาบทอาจารย์ซึ่งเป็นผู้ที่มีจิตละเอียดมากจิตสงบละเอียดสามารถพิจารณาสิ่งที่ไม่ใช่รูปเป็นอารมณ์สงบละเอียดมีริทมีเดทมีอนุภาพมีอะไรมากแต่มาคิดถึงองค์หนึ่งโอ้ยล่วงไปแล้วเจ็ดวันอีกองหนึ่งโอ้ยล่วงไปแล้วเมื่อเช้านี่จะไปโปรดใครก็เพิ่งล่วงไปก่อนหมดแล้วแหะก็เลยมาคิดถึงปัญจวัคคีย์ก็เลยไปเทศธรรมจักโปรดปัญจวัคคีย์ ทีแรกปัญจวัคคีก็ไม่ยอมเชื่อไม่เชื่อเอ้ยตอนพวกเราจากมาเนี่ยท่านกําลังคลายความเพียรแล้วเวียนมาเพื่อมกักมากคือพวกนั้นนี่ถ้าหากทรมานจนตายคาตาเขาเห็นนี่เขาก็ยิงภาคภูมิใจเพราะก็ถือว่าวิธีการแบบนั้นอะ่ะมันเป็นวิธีการที่จะทําให้จิตหลุดพ้นได้เขาว่างั้นแต่แท้ที่จริงมันเป็นการทรมานกายกิเลสมันไม่ใช่อยู่ที่กายมันอยู่ที่ใจคือไปทรมานผิด ไปทรมานผิดถ้าไปทําให้ร่างกายตายอ้าวหมดแล้วไอ้สิ่งที่จะมารองรับเพื่อบําเพ็ญเนี่ยมันหมดไปแล้วขาดชีวิตินซีไปแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์เลยหันมาสเสวยพระครยาหารเนี่ยปัญจวัคคีก็เลยหนีไปอยู่ที่ปายิสิปัจนะมฤุกขายวันอู้คนละแคว้นนะเดินทางม่รู้ต้องกี่วันกนะว่าจะถึงเนะพอหลังจากพระองค์ดําุริจะโปรดพระองค์ก็ไปโปรดไปที่แรกๆเขาก็ปฏิเสธเฮ้ยท่านจะบรรลุได้ยังไงอ่าเรา ได้บรรลุธรรมแล้วพวกเธอจงตั้งใจฟังเราจะสอนเธอจะได้บรรลุธรรมเธ อ, อจะได้รู้ทั่วถึงธรรมแต่ก็เห็นเห็นแปลกๆเห็นมีอภินันหานแปลกๆ ก, ก, ก, ก, ก็เลยตั้งออกตั้งใจฟังด้วยเหตุที่มีความขัดแย้งอยู่ในใจก็ลงใจได้แค่พระัญญาโกธนัญญาพอจบปฐมเทศนานะี่ยได้เป็นพระโสดาบันหนึ่งองค์พระอัญญาโกธนัญญา มันเป็นผลงานชิ้นแรกที่พระพุทธเจ้ามาโปรดแล้วได้ได้ผลจนพระองค์ได้อุทานออกมา อ, าอาาาัญญาสิวัตถะโพกรดัญโยอัญญาสิวัตถภโกรดัญโยแปลว่าโกนทัญยะได้รู้แล้วหนอโกนทัญยะรู้แล้วหนอโกนทัญยะรู้แล้วหนอะถ้าเป็นเราเหมือนอย่างเราทดสอบทดลองวิจารณวิจัยอะไรบางอย่างแล้วก็ประสบผลสําเร็จเราก็อดปลื้มปีติยินดีไม่ได้ลื้มปลืมปล้มปีตก พิจิยินดีดีอกดีใจไม่ได้พระองค์ก็เช่นเดียวกันเมื่อพระองค์สอนไปแล้วเขาสามารถพิจาราย้อนตามกระแสจิต ก, กระแสธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเขาก็ได้เข้าสู่ความเป็นพระโสดาบันดยข้อธรรมที่ท่านพูดว่ายังกิจสมุทัยธรร ม, มังสัปปัญตังนิโรทัตธรร ม, มัเห็นอันนิจังทุกขังอนัตตาสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดา นันแนหะ น, นคือคือจิตมันเข้าถึงกระแสรธรรมกระแสของธรรมแท้ๆจะต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ เ, เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยตั้งอยู่ตามเหตุตามปัจจัยแล้วเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีสิ่งใดแม้วัตถุเดียวหนึ่งเดียวแม้เม็ถินเม็ดสายที่จะอยู่เท่าเดิมไม่มีต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนจากรูปแบบอย่างหนึง่งไปเป็นรูปแบบอีกอย่างหนึง่งขยับจากอย่างหนึง่งไปอีกอย่างหนึง่ง ถ้าเราจะมาเทียบกับพวกเราเหมือนเราย้อนย้อนยอน้ยอนไปแต่ละคนทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้เด็กทั้งคนแก่อยู่อยู่บนสลาเนี่ยย้อนไปตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงอายุน้อยเข้าไปน้อยเข้าไปย้อนเข้าไปในท้องแม่นะโน่นเนาะมีน้ําหยดน้ําธาตุของพ่อกับธาตุของแม่ประกอบกันในท้องแม่นะไม่มีตัวตนพอหลังจากไปประกอบกันแล้วเนี่ยก็โตมาเรื่อยโตมาเรื่อยโตมาเรื่อยไม่เคยอยู่เท่าเดิม นี่คือวัตถุอยู่รอบข้างตัวเราเราเห็นภาวะแบบนี้ลักษณะแบบนี้พระพุทธเจ้าท่นทรงตรัสว่าอ น, นิจจังกับทุกขงังทุกขังยังไงอ น, นิจจังไอย่งงาง น, น, นั้นอนิจจังยังไงทุกขงกังกไอย่างงั้นภาวะอันนี้มันมีอยู่ประจําประจําร่างกายของเราประจํากิตใจของเราเราดูไม่ออกถ้าเราไม่ตั้งใจปฏิบัติธรรมเราดูไม่ออกเราคาดเราเดาเราหมายเอาไว้ได้เพื่อเป็นการเจริญเพื่อเป็นการฝึกเพื่อเป็นการซ้อม การคาดการหมายการเดาสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นการปราบกิเลสตัณหาในหัวใจของเราไม่ให้มันมากําเริบทับถมหัวใจของเราด้วยเหตุด้วยด้วยเหตุที่จิตมันยังกระแสไปเห็นภาวะเหล่านี้แหละท่าว่าเข้าถึงธรรมเข้าถึงธรรมเข้าถึงกระแสธรรมมองเห็นอะไรก็เห็นสภาวะเหล่านี้มันไหลไปไหลไปไหลไปจะไปเกณฑ์ให้ตามใจหวังของตัวเองไม่ได้สักอย่างเกณฑ์อะไรก็เกณฑ์ไม่ได้สักอย่าง จิตใจของเราแม้จะเกณฑ์จิตใจของตัวเองที่ยังมีกิเลสเต็มแพร่ยอยู่เกณฑ์ไม่ได้สักอย่างตัวจิตใจข อ, ของเราเองมาบังคับร่างกายของเราให้เป็นไปตามใจหวั ง, ขงเขาไปก็บังคับไม่ได้สักอย่างมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราใส่ปัปจจันนยไปมากๆฉันขนมกินขนมนมเนยไปมากๆมันก็อ้วนก็จุขึ้นอลองอดลองอดลองอดลองมากพร้อมลองพอมลองพอมลงตามเหตุตามปัจจัยบางทีอยู่ไปอยู่ไปกับอนุู้นมาเกาะอันนี้มาจับ มาเร่งมาจับใจมาจับปอดมาจับโรคมาจับเนี่ยทั้งๆที่เราไม่อยากให้มันเป็นมันก็เป็นแต่มันมีเหตุมีปัจจัยของมันมันมาเป็นอยู่ตามนั้นแหละเพราะฉะนั้นท่านให้พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงมันถึงจะไม่ทุกข์ด้วยเหตุที่เรามายึดว่าเป็นเราว่าเป็นของของเรานี่เองเราจรึงทุกข์ท่านให้ดูสักทว่าดูสักทว่าเห็นพิจารณาตามความเป็นจริงเราจรึงไม่ทุกข์อันนี้คือวิธีการที่พระพุทธเจ้า ท่านได้เสว่งหาและได้บรรลุและเอามาบอกเอามาสอนของมาสอนพวกเราเราเริ่มเรียนรู้มาตั้งแต่การตั้งใจรักษาศีลตั้งใจเจริญสมาธิตั้งใจพิจารณาทางด้านปัญญาความเป็นอยู่ทุกวันพวกเรารู้หมดนับตั้งแต่รู้เดียงสาภาวะมาเรารู้หมดยิ่งเราโตขึ้นมาโตขึ้นมาโตขึ้นมาทิฏฐิมนณะก็ยิ่งมากตัวของเราตัวของเราอัตตาตัวตนของเราอันนั้นก็ของของเราอันนี้ก็ของของเราอันนี้คือตัวเราเนี ถามดูจริงๆใครเอาเลือดสักยศไปเกิดในท้องแม่มีไหมไม่เคยมีเลยเอาของเดิมจากพ่อจากแม่เป็นโครงสร้างมาทุกคนได้โครงสร้างมาจากพ่อมาจากแม่ถ้าดินน้ำลมไฟของพ่อดินน้ํามลมไฟของแม่ไปประกอบกันในท้องแม่จิตของเราก็อมแปรามากับกรรมมีกรรมกับจิตประกอบกันแนละ้วไปจับจองพอไปจับจองไปเกาะ อ, อยู่อย่างนั้นเน่ย นี่พอเรามาเกิดในปัญจขันธ์เรามีทั้งรูปเรามีทั้งน้ำหลังจากธาตุเหล่านั้นไปเกาะคุมกันแล้วเนะี่ยไม่เคยอยู่เท่าเดิมเลยตั้งแต่น้ําใสๆมาเป็นน้ําข้นๆมาเป็นน้ําแดงๆเป็นน้ําล้างเลือดเป็นมาเป็นก้อนเลือดเป็นเป็นก้อนเนื้อโตขึ้นมาด้วยโตขึ้นมาเจ็ดหนึ่งอาทิตย์2อาทิตย์สามอาทิตย์หนึ่งเดือนสองเดือนสเดือนเจ็ดปดเ้าเดือนครบอวัยวะ32อออกมาไม่เคยอยู่เท่าเดิม เราดูอย่างนี้เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าจะทําให้เราเนี่ยสลดหดหูในหัวใจของเราว่าโอ้ที่เรายึดแล้วเกิดเรายึดแล้วเกิดในที่สุดยึดอะไรไม่ได้สักอย่างยึดอะไรไม่ได้สักอย่างเราย้อ น, อ น, อ น, อนจากนี้ไปจนถึงนู้นน้ำธาตุาพ่อธาตุแม่มาประกอบกันเป็นหยดน้ําใสๆเท่านั้นเองนั่นตัวตนเราหายไปไหนมีใครเอาเลือดสักหยดไปเกิดในท้องแม่ไม่มี อาศัยจิตมาจับมาจองแล้วก็หลงยึดเอาโอ้เราโอ้ของของเราจริงหรือไม่จริงพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าไม่ใช่อัตรพรรภ์ร่างกายของเราไม่ใช่ตัวตนของเรานี่ภาวะอันนี้ถ้าเราศึกษาให้มากฝึกซ้อมให้มากจะทําให้เรามีความเข้าใจภาวะความเป็นไปของรู ป, ปธรรมของเราความเป็นไปของนามธรรมาคือจิตใจของเราเราจะ ปลดจะปล่อยจะเปลื่องจากการยึดมั่นถือมั่นด้วยตันหาด้วยอุปาทานจะเริ่มรู้จะเริ่มเข้าใจความทุกข์ทั้งหลายก็จะเริ่มคลี่คลายก็จะเริ่มเบาบางไปแต่ถ้าหากเราไม่สนใจภาวะเหล่านี้ก็จะไม่เกิดในหัวใจของเราพอเรารู้เอียงสาภาวะมาเราก็ให้ความหมายกับการอยู่การกินการหลับการนอนเป็นเรื่องใหญ่พอโตขึ้นมาก็ศึกษาเล่าเรีย น, นมีความรู้แสวงหางานหาการ หาทรัพย์หาเงินหาทองมาอยู่มากินมาใช้มาสอยแล้วก็บริโภคกามไปเท่านั้นเองในที่สุดเราไม่รู้ว่าความเป็นไปของกายคืออะไรเป็นไรแต่ตัณหาปาฏานมันพา ย, ยึดโดยธรรมชาติของมันมันพา ย, ยึดโดยหลักธรรมชาติตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมันข ย, ยุดยึดโดยหลักธรรมชาติของมันกิเลสเหล่านี้มันแสดงโดยหลักธรรมชาติของมันพระพุทธเจ้าทรงอบัติมาเอาวิธีการอันนี้มาสอนพวกเรา เพื่อคลี่คลายความทุกข์มาปลุกมนุษย์ให้รู้จ <recht> ักรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวภาวะที่แท้จริงคืออันนี้เป็นอันนี้เป็นอันนี้เป็นอันนี้เป็นนี้อย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรกับมันให้มากเพราะยึดอะไรไม่ได้สักอย่างมีใครยึดอะไรได้บ้างยึดอะไรไม่ได้สักอย่างเพราะทุกอย่างอยู่รอบข้างตัวเราไม่อยู่เท่าเดิมยึดอนุนมาด้วยความรักความพอใจผลักอนั้นออกไปด้วยความไม่ชอบใจความไม่พอใจเพราะฉะนั้นความอิจฉาทิศยาความพยาบาท ความโกรธความเครียดความอาฆาตจองเวรจองกรรมฆ่าแกงกันมัน จ, จึงเกิดขึ้นมีขึ้นที่ความอยากในหัวใจมันเต็มแปรอแสวงหาสแสวงหาปัจจัย4ี่คือสแสวงหาอาหารสแสวงหาเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยหยูกยารักษาโรคในเมื่อหลายๆคนอยู่ต่างคนต่างสแสวงหาเราก็สแสวงหาเขาก็สแสว่งหาก็เลยต้องแย่งกันต้องแย่งกันมีระบบมีระเบียบ ในการปกครอง<ม>ก็มีวิธีการทําอย่างนั้นทําอย่างนี้เพื่อที่จะได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้นให้มันดีงามมันถูกต้องกลายเป็นมีระเบียบสังคมมีกฎหมายบ้านเมืองมีขนบมีธรรมเนียมประเพณีเพื่อมาให้สิ่งเหล่านี้มีถ้าไม่มีขนบธรรมเนียมประเพณีมีกฎหมายบ้านเมืองมาถือมาประพฤติปฏิบัติมาปกครองพวกเราก็แย่งกันไม่ต่างอะไรกับสัตว์เป็นอย่งงางนั้นจริงๆด้วยอํานาจของความอยาก ให้ความสําคัญกับความอิ่มให้ความสําคัญกับปากกับท้องกับความเป็นอยู่กับเล่นสนุกสนานไปตามเรื่องเพลินด้วยอํานาจของกามโอกาสที่เราจะรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวไม่ค่อยมีเราพิจารณาไปแล้วเราจะเริ่มระลึกได้รู้สึกเนื้อรู้สึกตัวได้เราจะเริ่มเป็นคนมีสติ ด, ดีมีสัมผชัญยะดีมีปัญญาดีจะเริ่มรู้จักระมัดระวังรักษาเหตุต้นต่อแห่งกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเราจะสามารถรักษาได้เราระมัดระวังได้ เนี่ยวันนี้มีทั้งผู้ใหญ่ผู้ปกครองครูอาจารย์นักเรียนอ่าแล้วก็คณะศรัทธามาแล้วก็วันนี้เราก็จะแจกทุนเด็กเป็นเป็นครั้งที่หกเป็นครั้งที่หกถือว่าสุดท้ายของเทอม ง, งั้นเถอะต่อไปก็เริ่มเท อ, อมใหม่ทีนี้กรรมการของเราจัดใครเด็กมายัางไงมารับมาอะไรต่ อ, ต อ, อยังไงก็ก็จะททำต่อไปได้ ท่าที่เราจัดเนี่ยเราก็พอจัดได้เราก็พอทําได้เพื่อเป็นการอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันเป็นกําลังใจอย่างน้อยมากก็ได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังเป็นเวลาที่เป็นสิริเป็นมงคลถือคราวนี้เป็นเป็นสิริเป็นมงคลเก็บชีวิตถือปฏิบัติได้ตามนี้ชีวิตของเราก็จะเป็นสิริเป็นมงคลความสุขความเจริญนะทางด้านจิตใจมันก็เกิดขึ้นมันก็มีขึ้น ความเป็นอยู่ของเราก็สะดวกสบายขึ้นมันเป็นการพยุงพพชาติของเราให้สูงขึ้นให้เด่นขึ้นไม่ให้มันตกต่ำคนที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้มาเกี่ยวข้องเมื่อวั น, นก่อนเราไปพักอยู่ที่กรุงเทพเนะี่ที่สำนักสงฆ์ที่สำนักสงฆนะ์เนี่ยเด็กมันทะเลาะมันด่าก <laughs> ันตอนมืดแล้วเราดูไปเราดูไปพอเวลารถมันผ่านไปอา้าว โอ้มันอยู่ในชุดนักเรียนเลยไหมมันอยู่ในชุดนักเรียนเลยเป็นนักเรียนโตมันร้องมันด่ากันลั่นอยู่นั่นนะอ่ะอ่าอีกฝ่ายหนึ่งคือผู้ชายนั่งจั ก, กรยานมาทีแรกก็ยืนว่ากันนั่งว่ากันบนรถไปๆมาๆลงจากรถอ่ะไปต่างคนต่างจะให้ใครเอาก่อนผู้จะตบก็ให้ตบก่อนเอาก่อนที่เอาคนพ่อด่ า, าแม่กันอยู่นั้นอนะ่ะนั่นคืออะไรเราดูสิ อะไรมันยุใหญ่ทําให้เรากําเริ่มเสบสารถึงขนาดนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นในเราแล้วเป็นยังไงเสียหายหมดเสียหายตัวเราเองเสียหายวงตระกูลเสียหายพ่อแม่เสียหายอะไรไปหมดล่ะคือการไม่มีศีลการไม่มีธรรมนี่การไม่รู้จักระมัดระวังรักษาเนืรักษาตัวศีลธรรมช่วยเราได้และทุกคนไม่สายเกินไปสหลหรับเรามาปรับตัวให้เป็นไปตามหลักของศีลของธรรม เอาละพอสมควรเก็เวลาเอาแจกทําไงไหนไอไอไคุณนายมาเป็นประธานแจกเอามาอาเอาเอามาไหนเอาอะไรมาวางเออเอาเอ า, เอามาเข้ามาเป็นโรงเรียนเป็นชุดเป็นชุดมาออเอเอพอดีผู้เฒ่ามานั่งตรงนี้ก็เลยเด็กเขาก็ทําอะไรเหมือนเดิมยาก อ <c oughs> ตู้ตู้ขยับขยับมาข้างๆนิดสักหน่อยตู้ต๊้ขยับเออเออเอเอเด็กขาับขยับเข้ามาเออเข้ามาทีละห้าคนโรงเรียนละห้าคนแจกให้ถูกตามชื่อนะต้องอา จ, จารย์ต้องบอกด้วยเอออ่าอ่า เอเอเาขยับมาโรงเรียนแรกคือโรงเรียนอะไรขยับมาเอาวัดไอ้โรงเรียนอะไรขยับมาใครบ้างหนึ่งสองสามไล่มากระพระก่อนมานอาหันมานี่แล้วกล่าวมาทั้งทังนี้ทั้งพระเจ้าพระสงฆ์นี่หันมาอ่อ เป็นกติตัวอย่างให้พวกเราได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟัง อ, อันนี้พอจบเทอมเขาก็มีใบใบอันนี้แจกให้ประกาศเกียรติคุณแต่มีใครตามไปดูอ่ะพ่อแม่ตามดูไหมเป็นดีเป็นคนเก่งเป็นคนดีสีสังคมไหม นูนน่ะมือนอย่างที่กขาทามาน่ะอืมอย่าไปเอาแต่ชื่อเด้อเอาแต่ชื่อได้แต่ชื่อนะอชื่อนางสวรรค์น่ะชื่อนายพรหมนุน่นชื่อนายพรหม่ะพรหมมันอยู่สูงได้แต่ตัวมันอยู่นุ่นนร่องน่ะนางสวรรค์นั่นน่ะนุะน่นตัวมันอยู่นร่องน่ะมันไม่ได้ขึ้นสวรรค์อั น, นั้นคือเอาแต่ชื่อมันได้อย่างนั้นแหละ อมื่อลงตาท่นานว่านะเอาแต่ชื่อมันได้อย่างงั้นแหละอือไปทําตัวให้เหมาะสมให้เหมาะสมกับคราวกับการที่เราทํานี่นี่เป็นเป็นการเป็นคราวที่เป็นสริริเป็นมงคลอ่าเพราะชีวิตจิตใจของเราอย่ามองเห็นเป็นเรื่องง่ายชีวิตของเราอืม ดูไหมถูกชื่อเนอ ะ, ะ, ะถ้าไม่ถูกก็ไปขอเปลี่ยนกันเองก็แล้วกันแล้วกราบพร้อมกันกราบพระพร้อมกันกราบครูบาอาจารย์พร้อมกันแล้วก็รับของอรับของเสียต่างคนต่างกราบวาระของใครของเราฝึกเข้าไม่ฝึกไม่ได้ดอก มารยาทเนี่ยต้องฝึกความดีต้องฝึกมารยาททางกายก็ต้องฝึกมาที่ใจมารยาททางคําพูดก็ต้องฝึกมาที่ใจเราเห็นไปเขาไปยืนด่ากันกลางถนนนั่นโน้วันนี้มีอะไรคือคุณสมบัติของมนุษย์เลยเราดูไปเนี่ยเสียงดังมากเลยนะมันด่ากัน อ่าในสองโรงเรียนแล้วเอาเหลืออีกสองโรงเรียนแป๊บเดียวเดียวให้พรโอ้แต่วันนี้ลืมให้รับสินไว้ไม่เป็นไรรับสินตามหลังก็ได้ไปใส่กรอบเอาไว้นะดูที่ก็าเขียนว่าไงอ่าเรียนเก่งเรียนดี ะเขียนว่าไงเขาเขียนว่าไงคนเก่งคนดีสีโรงเรียนไม่ใช่ยรดีเฉพาะในโรงเรียนนะความดีเนี่ยต้องติดตัวเราไปตลอดนะไม่ใช่อยู่ที่โรงเรียนก็ทําตัวดีๆพอออกจากโรงเรียนมาแล้วก็มาด่ากันกลางถนนเหมือนอย่างเหมือนอย่างที่ทเราเล่าให้ฟังนะเสียหายมากแบบนั้นนะ่ะไม่สมกับความเป็นมนุษย์เสียหายมากอืม ทุนที่เราให้ไปน้อยนิดเดียวแต่ว่าโอกาสที่เราจะมาได้ยินได้ฟังอย่างนี้มันมันมันมันไม่ค่อยจะมีโอกาสเรามาเราก็ยาำถือเอาไว้เพราะหัวใจของมนุษย์ของใครของเราของท่านมันดีเพราะสิ่งแวดล้อมมันเลวเพราะสิ่งแวดล้อมเพราะจิตของคนเรามันโน้มเอียงไปไปเจอแวดล้อมดีมันก็น้อมไปเพื่อความดีไปเจอแวดล้อมเลวมันก็ไปตาำแวดล้อมที่เลว ถ้าคนใจแข็งศึกษาดิบดีแล้วเป็นคนสม่ำเสมออยู่ที่ไหนก็เป็นคนดีตลอดคือเป็นคนที่รู้หลักของศีลของธรรมข้อประพฤติข้อปฏิบัติแล้วก็ตั้งอกตั้งใจทำมีฮิริเป็นหลักมีโอตตะปะเป็นหลักฮิริคือความละอายอายความอายบาปอายความเกรงอายบาปอตตะปะเกรงกลัวกลัวผลจากบาปมีฮิริคือความละอา ย, อาย ความลาอายนี้ท่านว่าเป็นคุณสมบัติของเทวดาใครอยากเป็นเทวดาสดสดร้อนๆทำได้เลยรักษาขนบธรรมเนียมรักษาประเพณีรักษามรารยาลักษาความประพฤติกายต้องประพฤติดีวาจาต้องพูดดีจิตใจต้องนึกคิดแต่ในเรื่องสิ่งที่ดีที่งามถ้าพูดถึงความชั่วร้ายแล้วก็มีหริริละอายมีอตัตตะเกรงกลัว กลัวต่อทุกต่อโทษต่อบาปต่อกรรมเมื่อมันกลัวแล้วมันก็ไม่ทําเมื่อมันกลัวแล้วมันพยายามหลบพยายามหลีกไม่ใช่แล้วแต่แล้วแต่หมูจะจูงไปอหมูเร็วๆก็มีที่มันจูงเราไปเสียหายไม่ใช่ไม่ใช่เราโทษให้หมูแล้วเราจะแล้วนะทําไมต้องกินยาบ้าทําไมต้องปฏะจิตยาบ้าโมขาพากินแหน่ ừ, แล้วเวลาเราเสียหมูมันหมูมันเสียแทนเราไหมเราเสียไปทั้งคนเราไปโทษให้หมูไม่ได้ดอก มูมันก็โทษเราเหมือกันน่ะอืมเพราะฉะนั้นเรารู้อันไหนดีเราไม่เอาเราไม่ทำํำเราหลบเราหลีกเราเว้นเราถึงจะมีความเป็นอยู่ได้มีความสุขสุขกายสบายใจอพิจารณาตามหลักของศีลของธรรมแล้วเราไม่ผิดศีลเราไม่ผิดธรรมเราขอศีลเรารับศีลแล้วเราก็ถืองดเว้นตามศีลเนี่ยศีลนั่นแหละทำให้คนดี เราอยากดีเราอยากดีเราเร า, เราอยากดีทําไมเราจะดีนาะอ่าตั้งใจรักษาศีลดีเลยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ลักทรัพย์ไม่พระพฤติผิดลูกเขาหัวเขาเมียะไรเขาไม่ดื่มไ ม, ไม่พูดเท็จพูดอยาพูดโซเสียดพูดกระทุ้งกระทกแดกดานให้คนอื่นเจ็บใจแล้วก็ไม่ดื่มสุราเมีอะไรถ้าเร า, เราหลวมตัวให้กับศีนทั้งห้าข้อมันเหมือนกับเราซ้ําเติมของ สาเติมตัวเองหยียบตัวเองให้จมลงไปเราอยากเป็นคนดีเรายกตัวเองด้วยศีลเว้นข้อหนึ่งเว้นข้อสองเว้นข้อ3ามไมเว้นข้อ4ี่ข้อห้าหเว้นเราก็จะเริ่มเป็นคนดีรักษาได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันตายไปสวรรค์ไม่ต้องสงสัยเลยและมีความสุขด้วยร่างกายชีวิตร่างกายเรามีความสุขชีวิตครอบครัวเรามีความสุขถ้าเราต่างคนต่างมีศีล เหตุที่มันเร่าร้อนเดือดร้อนเพราะมันไม่มีศีลมันเอาแต่ฟืนแต่ไฟใส่กันศาสตร์จะน้ําร้อนเข้าหากันคําพูดคําจาศาสตร์จะนําร้อนข้าหากันผิดใจกับชกตีต่อยกันนั่นมันจะความสุขได้ที่ไหนตั้งใจรักษาเอาอยากมีความสุขนอกจากนั้นอีกมีความสุขระงับที่ใจภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทพธโธไม่นึกคิดเรื่อยเปลือยไปตามแล้วแต่มันจะพาเราคิด จิตสงบจิตมีความสุขหละพิธีการที่พุทธเจ้าท่านสอนตรงการอยากพ้นทุกอย่างยิ่งเอาไปพิจารณาให้เกิดความรู้ความเห็นตามหลักอันนี้จังทุกขังอนนาตตาที่อธิบายให้ฟังเนี่ยมันเป็นศัพท์ที่ยากอยู่แต่มันเราจําเป็นจะต้องรู้จักเพราะมันเป็นหลักเราต้องรู้จักเอาไว้มันเป็นหลักเสแล้วเราค่อยศึกษาไปค่อยๆพิจารณาไปค่อยเขี่ยไปเราจะเข้าใจมันรับไปแล้วไปตั้งใจรักษานะ Mm-hmm. <clears throat>